าการการขอยู่ังเตือนการจิตการงานที่เราทเที่ยังเราได้ปลอมทำมาเทศนาของพระพุทธเจ้าการแรกที่ว่าธรรมะจับจากพระพุทธนาสตร ก็คือเรื่องของเราเลยแหละเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องที่ไหนเรื่องของเรานี่ทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ต้องเดือดอย่างนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ชีวิตพุทเจ้าทรงแสดง มันมาติดอยู่ในช <c oughs> ีวิตเราอย่างไากต้องอได้แผนที่น่าคำนักไว้เลือแห่งทุกมีอยู่เราเห็นเรารู้ตาวก็เป็นจรงน่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ มีอยู่มีปริวัติสามมีอาารสสองปฏิวัติสคือ อ, อาคารสิบองคือละย น, น เ, เรืองอาลสัตว์ี่ส่ทุกสะกดไทยมีโรคมากมีสของจริงแลประเสริฐมี4อยา แต่ก็ทำในเรื่องสยางนี้มีย่างสาเรว่าปริวัติสาม่นทุกเห็นันทุกไม่เกิดกูทุกมาจากจักรทุกมีสเห็นทุกไม่เกิดทุกคนจากทุกเห็นเหตุเกิดทุก ทำหเหตุตั้งแล้วทำได้แล้วจิ่งที่ทำแบบทุกขให้เหลือดูแล้วทำไม้แล้วรูแจ้งแล้วเรียกว่าอยากสามเรีว่าเหาการ์สองเป็นสสาสบองเป็นหนนี้ พระเจ้าก็แสดงใส่ส่วนประกอบหลายอย่างมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่อนี้บ้างปฏิบัติอย่างไรเชื่อไม่เห็นปฏิบัติอย่างไรเชื่อไม่เห็นการมุสลินีกนก้กรารลี้ยงขู่เห็นไหมมันหลงเห็นมันหลงไหม หรืเป็นูหลงถ้าหลงเป็นหลงอ่อนแอเกินไปมาทีไรว็หลงทีรก็เป็นหลวงทุกทีไรก็เป็นทุกโกรททีรก็เป็นโกอ่อนแอเป็นการมัศขามิจโล ย่โยไม่อยากให้วันหลงมันก็หลงถ้าหลงทีใดไม่ใช่หลงเฉยเป็นทุกข์ไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นเครียดจะเเอาผิดเอาถูกอยากให้หวั่นถูกไม่อยากให้หวั่นผกแล้วมันผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกเป็นตัวเป็นตนผูดผิดพูดถูก ไม่ได้เป็นขารยี้ายเยียขวาอัหนึ่งโอ่ไหวอหนึ่งยียด้ายเยียขวาองไม่ตงไมติดเป็นอัจฉรานโยคนวารวทุกข์ก็เป็นทุกข์ในวามโกรธก็เป็นโกรธปนการทรมาเป็นประรรมการตทั้งสองอย่างนี้ ไม่ใช่ของพระอิศเป็นของผุุ้ชนเป็นของชาวบ้านเป็นของต่ามทีนอกำโพผู้ตุเชนิโยที่น้องเป็นของชาวู้ตุเชนุเป็นของผู้ตุชนชั้นชาวบ้านที่บริโภคลูกรถจึงเสียงทั้งหลายที่้องไหล มัชิมาปฏิบัติเป็นตาเป็นกลางอย่างไรในเรื่องอิสระสิ่งทีเห็นเนี่ยเป็นตาเห็นไม่เป็นเนี่ยเป็นตาเป็นตาที่สุดเห็นมันหลงเห็นมันหลง มันถูกเห็นเงนถูกเงินิดเห็นเงนกิดอะก็ตามเป็นกู่เป็นรักษาะที่เห็นเนี่ยเป็นการถ้าเห็นล้วก็จงกัขงขาแ่หลงเห็นมาหลง้อกันว่าอย่างทายาคยาวรทัญญาว่างไได้เกิดขึ้นมยจากกิจสมุทรยะธรรมม์ สับปทันที well, I mean, ้เราทามาว่าจริงเลยจรงเกิดขึ้นก็ในความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้คนพยาญามเนอย่างนี้อย่างจริงจังมุทิยกธรรมะผู้เจ้าเจ้าผู้ทาุตัญญาโคญญาอัญญาญาญาสิกุตรโพกันันโยอัญญาสิกุตรโกปรวัโย a n j ย y a รู้เลี้ลยหน่อลู่ยังไง anjaya ก็ฟังใครว่ายังที่ที่สมุทเทยธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ ม, มีความดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวใช่ตอัวอะไรเห็นแค่ว่าสรุปลงจากธรรมเทศนาผูา้เจ้ามาติดหัวใจของ a n j a า a คนธรรมยาและก็มาเชื่อคนธรรมยา ว่ามามาสติถวิเเจ้าอัญญาสีอัญญาสีไงอัญญาอัญญาเจ้าผู้ใหญ่ก่อโมก่อนโมเาที่เราเรียกพระผู้ใหญ่สมัยโบราณอัญญาท่านอัญญาเดี๋ยวนี้เรายังเรียกอยู่แถตัวเหนือของประเทศแถวมืองเลยมลาวราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก่อจะได้ว่า อันยาเป็นว่าผู้ใหญ่เพรก่อนทำยาเนี่อนย า, ย า, ญญ า, ยาเป็นผู้ใหญ่ผู้ก่อนโงสองโมงแรกอนยาสิเลยให้อาชิวอนยาแต่ก่อนเป็นคนทำยาคนทัญยามุกปรับพทัทเจ้าหาหนามะคนทำยานี่เป็นคามหนุนไปทำมายลักษณะของสิ่งต่าตั้งแต่รูตรใหมาใน ในทําไหมยเป็นลักษณะเดียวว่าจะต้องออกอวดได้จัดรุปเป็นคระทธเจ้าเป็นศาสาเอกในโลกสมารักษะเดียวตั้งแต่ออเป็นหนดยนรอสิทธิ์าออกอวดเป็นยี่สบปีสิบยี่สปีจนยามไังรออยู่ เมื่อออกกว่าแล้วเดดตามชวนลูกครามอีกหมคนได้พบปับพุทธิยังหานามานีไปเถิดตามปัจจิตตถาออกกว่าต้องเมิจะได้ตัดโลกเป็นศาสตาเีเอกควรเป็นพระเจ้าจริงจริงโดยลูกความหนุ่มลูกของความพี่ที่ไปยทำมายลักษณะในขเขาที่อยูกัานั้น ว่าอะไรถ้าพูดถึงธรรารักษณะมีความแม่นตั้งแต่สมัยโน้นมาแต่ยังไม่มีประโยชน์อะไรทำลายกูกเฉยๆตัวเองก็ไมได้ประโยชน์ทำตำลาเ จ, จียงติดหัวใจขถงกกนหันเหไม่คาถาไว่มากหน้าสิ่งใดสิ่งหนเกิดขึ้นจะทำลายสิ่งนั้นก็มีความหลับไปเป็นธรรมดา ก็เห็นจนป่าทั้งหมดแล้วก็มีมีว่ามีกระแสว่าว่าอะไรเราจิตจเจริญจิติแล้วก็เป็นคู่กับความหลงความรู้เป็นคู่ความหลงแน่นอนได้กระแสคู่เจริญจิตได้กระแสแห่งพระ涅槃นะ เมื่อควาหลงก็เห็นความไม่หลงเก็นกระแสไปเป็นคู่ไปไม่จนต่อความหลงความไม่หลงกมีจผิดไม่ความไม่ผิดก็มีรู้กค่ามเป็ริงอย่างนี้ไปเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็มีรู้กคามเปจรงอย่างนี้ เพ ร, า ม, ร า, มมามโกรธความไม่โกรธก็มีรูปตามความจริงอย่างนี้ไม่จนไม่ยอมไม่จำนวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นจปงรูปเป็นงามการที่พูดให้ฟังมาล้วมันไม่เห็นเฉพาะกายอย่างเดียวที่มันเคลื่อนไหวดูไปดังามาเข้าเห็นจปง ลูกถ็นเป็นนามมันมีลูกมันทำดีมันทำชั่วมันมีนามมันทำดีมันทำชั่วมันเป็นกรรมที่กากระทำได้มาเกิดจากที่นี่ลูกทำมือมันทำนามมันทำแล้วก็มันก็บอกไปเพื่ออะไร หลายอย่างที่เกิดอยู่บนลูกคนนามมีปัญหาต้องมีปั ญ, ญาตรงนี้ในการคงแต่งการสังขาร้าไม่คงอยู่ตรงนี้ให้ได้ลูกนามทำไมาศึกษานราลูกตามความเป็นจริงถ้ามาศึกษาก็หลงที่ยวหลงทางอะไรมาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมด เกิดจะกลูกเกิดจากง่ามอมาเป็นตัวเป็นตนให้ศึกษาเป็นด้วนเนก้อนศึกษาที่ถลุงไปน่อยเหมือนเัาถลุงแลเป็นด้วนเป็นก้อนเหวงมันดิ่งถลุงออกไปเนื้อในก็ศึกษาสิต ข, ข่าสจิขตขาระธเกินเครื่องเรื่องชีวิต ทุกเห็นเหยื่อที่เคยทุกเหควมแับทุกเ้อดับทุกใจเรา้ชีวิตชีวข้าดีทตัวเพื่อชีวิตทุกมาเป็นทุกชีวิตเรื่ทุกที่ไม่เน้นเรืองอะไรหงกันหลเหื่อชีวิตเห็น ลูกโลมโลเป็นลูกทุกข์โลมทุกข์เป็นลูกสมมุติเป็นลูกปัญญยวัตถุอาการต่างๆในสมมุติก็มีธรมัตนกรเป็นสมมุติคมไม่กดเป็นธรมะคู่กันปัญญยเนี่ยความทุกข์เป็นสมมุติมไม่ทุกข์เป็นธรรมะ เป็นสมมติไม่กรตเป็นประมามันมีสมม ต, ติเห็นอย่างเกิดขึ้นมาเป็นลูกก็มีเป็นน้ำก็มีสมมติเนี่ยเป็นลูกก็มีมวัตถุสิ่งของสัมผัสได้ถึงด้วยตาจับได้ด้วยมือนี yes. ่ล่ลูกสมมติ นามต้องมุเดเข่จัความคิดความคิดก็เป็นนามกาะทำที่มันมีความยิ่งใหญ่ <c oughs> มันหยาบลงไปในความคิดงานชอบว่ามัชอบทำตามความชอบทำตามควา ม, มชอบสมผ่าแจ้ดทางจิดวิญญาณเก็บปวดสมุติขึ้นมา ก็เก็บปวดได้เป็นชกได้เก็นทุกได้ก็เลยกสมมุติพอบว่างมม่รื้อไม่ถอนมองไม่เห็นรู้ตาความจริงเห็นวัตถุเห็นอาการวัตถุเก็ตามป็นหูเนมือเป็นการใจรู้รู้เฉียงอาการที่มันเกิดขึ้น เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นอาการเป็นลมเป็นหนาวเป็นอาการเป็นพอใจไหมพอใจเป็นอาการควาวดวร้ควาหลงควรักควชังเป็นอาการไม่ใช่ใจบาทีแม่เอาวจีทีเป็นอาการว่าเป็นตัวเป็นตนสร้างขบิคุปตะทำยึดถึขันขึ้นมาเป็นควบคุมชาติถึงขันห้า เกิดกับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดกลับเกิดกับตัาสมุนไบัณหาชนีดเกิดกลับอาตนะมันก็เป็นชาติอรก็หลายเสียงเก่าอนาคตก็หลายเสียงก่าพุ่งนี้ก็หลายเสียงพวหลายเสียงหวนเป็ือนก็เป็นชาติ แต่ก่อนเขาิดเรื่องพวกนี้สีแสนสี่สจจหมือนพวกนั้นพวกนี้ไม่เคยเห็นเราส่งคนทุกไม่เคยเห็นเกิดตับเกิดตับหรืแกเจตายในขันหน้าอุปทานยึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นต จะต้ังจะลงไปถ้าจะขันว่าตอนความจริงมันไม่เป็นอะไรมันเป็นของใช้มันเป็นพ่วงแพเหมือนกับแพมนกับเรือเพื่อขีข้ามผ้าถ้าขึ้นผ้าจะได้ความไม่ต้องเอามันปล่อยมาง น, นางตรงนั้นวางรงนั้น จอดมันมาจอดเทียบท่าใหา้เพื่อใช้สิ่งฝันสถึงจสมอยไปทำเรามีรูปมีนามใช่ได้จริงๆใช้ทาความดีใช้รักความชั่วสมมําเร็จรูปทำนางตนถ้าใช้ทําความชั่วทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษสําเร็จเหมือนกันะนะเหรอ้าวเดินเราจะใช่างาน อันได้หลักฐานอย่างนี้ดูเห็นตามความเป็นชืน่อนี้มั่นใจจับสายบวาเห็นของชีวิตไปถูกคิดทงให้ถูกต้องนะมันะม่นใจมั่นใจหลักอธิบัติทำมัม่นใจความเขียนมีสัทธาราทำดีมันก็ดี ทำเชื่อพอเชื่อมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามีความเปลี่ยนเปียนลแล้วความเช่อยด้สำเร็จเปียนทําความดีได้สําเร็จจริงที่มันจะดีมันมาจะความไม่ดีไม่ดีเช่นนี้ทำให้มันดีทุกอยู่ที่ไหนทําให้มันไม่ทุกหลงอยู่ที่นนี้ทำให้ไม่โหลง นัาา่นจำใจนี่คือความเปลี่ยนนี่คือศรัทธานี่คือ ส, อสติยิ่งใหญ่ก็สาวยความหลงเชือ่อใจความโกม่นต่ำสอนดมเมือชีวานั้นไปจากงดงาชีวิตของเราชีวิตมนุษย์อส เรควรจะได้ทั้งต้นทุนได้ถึงสุดไม้ไปถางเขาเหมือนบอกควงเท็จคนที่เมันบอกอย่า ง, งที่เราได้ฟังเขาสูญพระเจ้าสแสดงควาเหมือนบอกทําให้ไม่มีทําให้ไม่มีทําให้ไม่มีที่ต้อง มันมีมามอาณาคันตกกะอาคันตกะนตกะมันจอนมาเรียกว่าอารมณ์กลุ่มร้ายกุมดีเป็นอารมณ์อาคันตุกะทำให้ไม่มีทำให้ม่มีค่าโบกคืนไม่มีที่ให้ตัง้งเมื่อเราเป็นเจ้าของยิ่งใหญ่ มั น, ม น, นจงงนะงดชาน้นนาหอาวชานกเงินสีน้าห่าวชาสติเหมือนชาคิเลกเหมือนมาเวหวนเหมือนมาเรสติเหมือนนกเงนสี มันใหญ่กอกาสจะไหนเพราะนั้นมันจึงมองอะไรมาเป็มองแบบทะลุทะลวงไม่จนแล้วเราไม่มีสติธจนนะจนต่อความคิดความคิดก็จนมีไหมมีแน่นอนความคิดเ่ยไม่อยากคิดควาคิดเนี่ยทุกความคิดก็มีนะมีไหมไม่สีน้อย ความคิดจะมาเป็ทุกข์ใช่ไหมคิดมาราโกรกคิดมาเราลรักคิดมาพอใจไม่พอใจต่อเติมไปต่อกระทงนั้นก็มีสติเตฉยๆง่ายๆหรือว่ามันมันเพียงพอแลมีสติไปในกายอยู่ประสบะจำนะอะไรมันก็มาที่นี่มีกายมีรูลกายก็เห็นิต ดูจิตไปเห็นธรรมมันเพียงพอเนะเอาละเราจะดูอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่บที่การใชชีวิตของเรามีความมั่นใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติน่าทำางานนี้เห็นไม่เป็นเป็นสูตรที่เป็นสูตรสำเร็จแม่ ชาปนในทางบรรถะสภาวะธรรมไม่ใช่สูตรจำเร็งเ ห, เหมือนลูกเรื่องสองห้าเป็นสิบอันนี้ก็ถูกเก้าจำนวตันหยักสองสิบเป็นยี่สิบสองห้าสองห้าเป็นหกสองห้าเป็นเก้าไม่ได้สองห้าตอเป็นสิบตอบแค่นี้ก็เหมือนกันหมด ในสาขานของการศึกษาคณิตศาสตร์ในหลักปรัติาศสสภาวธรรมเห็นไม่เป็นถูกที่สุดเห็นโกรธไม่เป็นทุกโกรธเห็นทุกไม่เป็นพุทุกเข้าได้จากพุทธประเพณรอยเห็นไม่เป็นอะไรทำอะไรเห็นเป็นตาไหนสติเป็นดตาหน้าโลห์สติเป็นหน้าโรค ผู้มีสติเป็นหน้าโลกภักดีในศพผู้มีสติเป็นหน้าโลกภักดีในศพก็คือพอระอรหันต์ให้เลมีสติเป็นวินังน้าไปสู่จุดหมายปลายทางวิคือวิเศษไวยะคื่อน้ำไปน้ำไปสู่ความวิเเรียกว่าสติเป็นหน้าโลก ไม่เผอเมือพักี่น้อย็มิสติเป็นวิ่หน่อยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับทุกคนรับผิดชอบมิสติกันทุกคนมันหลงเห็นไม่หลงิหน่อยไม่ถูกต้องไม่หลงถูกต้องเลีววิ่หน่อยวิเศษร้องทุกข ไม่ถู ก, กต้องก็ไม่ทกถูกต้องอะไรนี้การตงแสงสังขารมุ่งทุกข์ที่ยึดพงถูกต้องเหมือนรถที่มันวิ่งรถหยุดได้เมื่อตาที่มันเปิดมันก็ปิดได้ไม่ปิดก็เปิดได้นันจึงเป็นการใช้ได้ชีวิตของเราใช้ได้ยิ่งกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของ มันปุงก็หยุดปูงมันหลงก็รู้เปิดต่อมันคลื่งก็หมายขึ้นเห็นแค่ตา ก, ก็าเปจริงเห็นความหลงกงเป็นปัญญาเห็นความทุกข์เป็นปัญ ญ, า ป, ญ, ญ า, า, าปัญญาไพหมดปัญญาแป็นารตดสู้พน้นพ้นทุกข์อยากหยุดพ้นยืองูนี่คือก้อปฏิบัติในการเป็นโลจิตแทรฉน แค่ช้านทั้งหมดเลยการใช้ชีวิตเนี่ยสรุปลงได้งา่ายกํามือเดียวสาารถไการศษาการลูกมาทั้งหมดเหมือนพระพิจารณาแสงให้พระสงฆ์ผกลับใปไม้กำใบ ไ, ไม้ขึ้นมากํามือเดียวแล้วก็ชัวที่สู่ทั้งหลายดูใบ ไ, ไม้นี่ํามือกับใบไม้นป่าอันไหนมากกากัน เขาสงสารหายกระตวัวใบไม้ในป่ามีมากกว่าใบไม้กังมือของพระพุทธเจ้าของพุทธองค์พุทธองค์ก็บอกนี่การที่จะมาสอนนี่ <c oughs> จำเป็น <c oughs> มีแค่ใบไม้ไหนกังมือเท่านี้เพื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเสียมีสมาธิมีปัญญา สิ่งแรกคือรักษากาว่าใจไม่เรียบร้อยสมาธิไปตั้งใจมั่นดิฉันอเฉพาะเรื่องปัญญาแก้ไขเรื่องิ่ที่เป็นเรื่องทุกทุกกรณีสิที่ผิดที่เป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่ไม่ทุกข์สิ่งที่หลงทำให้เป็นสิ่งที่ไม่หลงสิ่งที่โกรธทสิ่งที่ไม่โกรธ ทีไหนก็ทีนั้นรู้เท่ารู้ทันแบบนี้หลงทีหนึ่งกรู้ทีหนึ่งทุกทีหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกทีหนึ่งเหมือนเราสร้างปฏิบัติทำกรรมฐานนี่ยเรามีความรู้เป็นพื้นฐานไป็นต้นตั้งเมื่าในกายในจิตรู้เป็นเจ้าของ ก็มาหลงที่หนรูที่หนึ่งรับมาหาที่ตัต้งตอนสนตอนอย่างนี้รู้ลอยเข้าหลงลอยเข้ารู้อยเข้าไม่ว่ารู้เท่ารู้เท่าหลงที่ใดรู้ที่นั่นหลุด ท, ที่ใดรู้ที่นั้นพิที่ใดรู้ที่นั่น มันจะเหลือไหมเหยืมันหลงตีตีข้างไปถึงอะไรกูทีเรื่องไปแล้วไม่รู้มันก็ไม่รู้เท่ามันรู้ทำแล้วก็ไม่ได้หัดไม่ได้สอนตอนที่มันผิดไม่ได้สอนมันถูกเหมือนเขาสอนว่าสอนผัยสอนข้าสอนมา หัดควายเทียงคาเทียงไทยถ้าไปทางสังเวยตัวว่าขวา้าขวา้าถ้าไปทางขวาข้าใครมันก็บอกมันใช้าช้ถ้ามันไปตรงบอกมันตรงไปตรงไปไปไปวัยเท่ๆมันสอนได้ดได้ยินเสียงมัาจำได้เคประหัดควายเขียงไทยบาทีเาต้องเคยเชื่อ มันจะเพียงบอกมันก็เป็นงี้เราสอนเราเนี่ยมีไหมมีงานที่ต้องสอนไหมถ้าไม่มีก็ลูกไปไม่มีอะไรจะลูกไปไม่มีลูกไม่มีปดไม่หลงนั่นแหละปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีทุกข์นั่นแหะปฏิบัติธรรมแล้วมีทำแล้วมันไม่เป็นอะไราแล้ว มันแบบปฏิบัติธรรมมันแบบคือชีวิตมันจึงมีการเหนือใครเกิดเจ็เจ็บตาชีวิตจริงๆไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายแต่ก้าวหนจกากการหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงห้ามไปแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมัน เก็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บมันจะไปมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายเห็นเบวนการเป็นอาการของรูปปมหนาวมันไม่เที่ยงเห็นความไเที่ยงไม่ใช่เป็นทุกความไม่เที่ยงเห็นมันทุกมันเป็นทุกความเป็นทุกเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ออาความไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ สิ่งที่เราพลาดจากไปไม่ยิมันถือมันแก่ธรรมานาลา์อภินิัยสายญคธรมทั้งหลายไมกควรยิตมันถือมัน่นเป็นหัวใจของศาสนาดังที่เราได้สาธยายธรรมะว่าโดยยอปทานขาดทั้งหา้าเป็นตัวทุกข์คือยึดมันใน สุกในทุกในรูปในเหน่ามาดเป็ตัวเป็นตน้นขันที่มายืดมั่นเป็นขันที่เป็นอุปาทานในรูปในเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือเป็นรุน่นเป็นก้อนเบธานาคือมันอาการเจ็บปวดนอปัญหาสัญญาคือมันมาเทิดอะไรไม่ สังขารมันปรุงอะไรให้มันปุงไปเรื่อยหๆ อ, อยู่ดีๆไม่ดูเกิดเห็นแตมุ่งปุงมันค่อยตามไปมันก็ติดวิ ญ, ญญาณมันติดมัยืดเอาขันหน้าเกิดจากเจตนะเป็นพวกเป็นธาติเกิดจากขันหน้าที่ปัญหาคู่ต่อลูกเกิดข้างเดียว ตอุปทานะลูปเกิดหลายครั้งอุปทานะลูปเนี่ยจะลูกขันแน่ว่าเมื่อตยอุปทานขันั้งหน้าไปถ ท, ทุกดับมันไม่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรขันหนจะเป็นอุปทานน่ะเหรนเวทนาสกุเวทนา สัญญาสับขาวสัญญาเห็นยังขานจักข้าวสังขานเห็วิญญาณจะเป็ว่าวิญญาณไม่เป็นไปกับประการเหมือต่าอแล้วก็เมื่อการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นข้อหมาที่นู่นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นสิทัตถะเห็นกวาเกิดเห็นกวามแก่เห็นความเจ็บความตาย ฐานที่จะตกอย่างนี้ก็จึงปฏิบัติธรรมอย่านี้จึงมามีสติมีสติสตปิการอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็ได้ทำตามเรียนตามไหวพระพุทธเจ้าเมื่อมันหลงเกี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมอะไรมัน เป็นทำให้เห็นทำไมไม่เป็นไปกัะมันต่างๆมันบอกความเท็ความจริงในรูปในนามนี้เราได้ปัญญาเพราะรูปเพราะนามเพราะองสังขารกายสังขารจิตสังขารเรารล่รู้ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัญญาไม่ใช่รู้นอกตัวเรา ปัญหาเกิดที่ลูกที่นามนี้การแก้ปัญหาพระแจ้ที่ลูกที่นามี้เหมือนกันหมดเรียกว่าปัญญาขุท tha ูกตื่นเรื่องลูกเรื่องนามไม่สงแน่นอนอะไจะเกิดขึ้นกับลูกคนนั้นลูกหมดเหมือนเหมือนกันหมด มันหลงก็คนหลงเหมือนกันเราเคยหลงเราก็เขียนหลงเป็นม่หลงเราเคยผิดเขียนผิดไม่ผิดเราเคยถูกเขียนถูกเป็นไม่ถูกเข็ยนเราเคยทุกเขียนทุกเป็นไม่ทุกเรียกว่าแบบที่บาททาัดทำเขียนจนมนมันมีอะไรชี่ทางเรียกว่าเหมือนพุทธองคตรัสว่า ชาติสิ่นแล้วภพ ม, มานอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วไม่มีจิตอะไรทำอยู่ได้ในรูปแในานามนี้ถิอหมายปลายทางหจบไม่กําเริบความหลงไม่กําเริบความปวดไม่กําเริบความทุกข์ไม่กําเริบเมื่อแล้วจริงๆมันจบจริงๆ มันทําได้ปฏิบัติได้จริงๆมันเชื่อมั่นในกรรมฐานมากมันพากายมันบอกมันบอกความช่วยความจริงมันบอกถ้าได้หลับจริงๆแล้วมันได้สูตรม่นได้สูตรจริงอมันบอกมันอันเดียวหลงที่ใดก็คือหลงทุกที่ใดก็คือทุกอันเดียวเท่านั้น ต่อถ้าอย่างเดียวคือเห็นไม่เป็นก็มีเทํานี้ปฏิบัติทำสำรวจลัดจักหน่อยตรวจส่วนจักหน่อยถ้าหลวงไม่หลวงไม่ตรวดไม่หลงเป็นหลวงถ้าทุกเป็นทุกไม่ค่อยตวจเป็นต้องให้นอนชาเสียเวลา ถ้าหลงเป็นรูปไม่หลงน่ยไอ้ใส่ใจใช่างหน่อยเป็นการด่วนเป็นฟรีเวยผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไหนะพอพประกอบการปฏิบัติการใช้ชีที่ประจำวันจะก้าวหน้าก้าวหน้าจริงๆเนี่เช็บตกให้ได้นนอกรูปแบบเวลาไหนเขาอยากไม่มีคุณติ รู้เสตัวเลยฝู้เสกตัวเลยฝันแต่กแห่ชีิประจำวันมันต้องคิดเรื่องอะไรมัต้องกังวลเรื่องด่างการดื่การกินที่เขียใจเอาชีวิตอววอของเราีนเรียบงาไปไม่เรียกรองไมอะไรเป็นยุ่งยเจ้าไม่เบียกเียไปง่ายไม่ก็นไรลไม่ป็นไรไม่ป็นไหลช่วยปดฟอเจริญมันาย อยาให้มันสะดวกกับเชียงราเห็นไรที่มันมีปัญญาให้เป็นปัญญาในสิ่งนั้นมันจะสะดวกทุกอย่างนะสีวส่วันร่อสร้างสี่วันล่อมากับชีวิตตัวเองให้ได้ไม่มีเพื่อนก็เป็นเพื่อนตัวเองใครบ้าใครนิใครเป็นมิตรก็เป็นมิตรกับตัวเองเ <c oughs> ชี่อตัวเองไม่มีใครที่จริงเท่ากับเรา เราคนนะ่งลูกพอนี้แม่นี่เราคนนะ่เกี่กัเทียบกันอะไคิดอะไรกับกาที่เป็นร่วมกันอะไรอยาไปดย อ, นนอยมันดูคนนี้มารูแม่ไม่มีใครบอกใครสอนาพยายามนะเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาาทีเราก็โชว์เาทอไรก็ก็โชว์จะสู้ก็ได้ไหมหาเนาะหร ไปเรียนไปศพอายุเจ๋งของเขาครู บ, บอกจะสู้เ็ได้ไหมละเขาไม่เจ๋ปลี่ยวเี่วเตยงเทนั้นนะมาที่หลังหมูจะทันหมู่ไหม่ะเขาเปลี่ยวเขาเยี่ยมแลยก็พันใแต่นะเป็ น, นมิตรของเราอาจารย์หมูสู้ก็าได้ไหเขาไม่เจ๋งอ่ะเตี้ต้นะ ตอนะัน้ไม่เ้ยอมหน่อยนะเชื่อมสาขึ้นมาเปียบเทียบเป็นดีลเลยเราแอบดูเขาเขาประ ม, มาทเาไม่ประ ม, มาณประมาทในทหัวใจเราไม่ประ ม, มาณเวลานอนอยู่เราก็ทึบในใจในวิชาการเราก็มาคุยกันเล่นกิ้นนอนเจียนี่ก็ เอ้ก็ไม่ต้องไอก็ไม่ต้องกังวลก็ว่าในใจก็เลยแล้ว่าว่าผมจะลงยื่งตัวเวลาเป็นเช่นไรไม่เป็นอะไรดรอกแต่ที่ฮึ่ึ่ในใจกับทึ่มในใจตัววิชาการที่ต้องสอบต้องสอบพอถึงเวลาสอบมันไม่ค่อยเหมือนมันไม่เหมือนเดินเข้าไปการสอบต้องสอห้าครับ มันไม่ได้เดินเลอมันบ้าเมื่อไรจะเรียกน้องเมื่อไรจะเรียกน้องอ้ยแบบนี้เลยโอ้าจเลยทุกอย่างดึงหัวใจโคตรที่ไหนดงหัวใจยากเลยเลืมันมั่นคงเลยไม่มีคำว่ากลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเนกลางคืนเลยตีอน่ะเรื่องอื่นเป็นเร่เรื่องสติขึ้นเรื่องใหญ่เปลี่ยนได้เปลนดีเปลี่ยนเป็นระ มันพอมันเป็นพลังแเห็กันดีโอ้เต่นขึ้นมาถึงตอนนีต้องไปก้ามวัวทุกเกิดจากกาจากจะไม่มีแล้วเ้ามว่วทุกที่เกิดจากกาจากจะไม่มีแล้วชีวิตนี้ตอนนี้เราสองคนเจอ